ถามว่าเมื่อรู้จักชาติแล้วนี่นะถามพอพบเกิดโดยเฉพาะกรรมมาพบเป็นตัวในชาติจึงเกิดพอพบดับชาติจึงดับนะพิจารณาโอ้เหตุเกิดของชาตินี่คือพบนี่เองวาอย่านี้ถามว่าถ้าพบดับน่ยชาติคือการเกิดใหม่ก็ไม่มีถามว่าชาติเป็นทุกขสัจเหตุเกิดของชาตินั้นเป็นสมุทยาสัจความดับชาติและดับเหตุของชาตินั้นเป็นนิโรธาสัจ ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชาตินั้นคืออริยมรรตมีองค์8และท่านภาษารีบุตรก็บอกว่านี่แหละคุณเมื่ออริยสาวกรู้ชัดชาติเหตุเกิดของชาติความดับชาติรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งชาติแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเธอจะระราคานุใสบรรเทาปฏิคานุใสรู้จักราคานุใสไหม คืออนุสัยที่ความยินดีพอใจเนี่ยคือกลุ่มโลภะปฏิคาอนุสัยก็คือโทสารทิฏฐิและมานะก็ต้องถอนได้ด้วยเพราะในขณะที่ทิฏฐิและมานะถอนออกไม่ได้คําว่าเราก็มีอยู่ตราบนั้นคําว่าเรามีเนี่ยใช่ไหมเรามีผมเรามีขนเรามีรูปเรามีนามเป็นต้นเนี่ยละอวิชชาได้โดยประการและทั้งปวงยังวิชาคืออราราตมะให้ปรากฏเกิดขึ้น เป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันทีเดียวไม่ต้องไปรอดับทุกข์ในชาติต่อไปในปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะดับทุกข์ได้ทำไมถึงบอกว่าดับทุกข์ในปัจจุบันได้เพราะไม่มีชาติอีกต่อไปคือลรพ้นจากชาติสามารถดับชาติได้แล้วไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปบริหารขันด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอเลยาสาวก ที่ว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พุทธธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบเรียนถามว่าใต้เท้าครับเหตุปริยายอย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือเหตุปริยายอย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือที่จะถามว่าเหตุปริยายอย่างอื่นในที่นั้นหมายถึงยังมีเหตุอื่นอีกไหม ที่จะสามารถทําให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาได้พระพานปสาริบทก็บอกยังมีอยู่คุณแล้วก็ได้ตรัสคาถาว่าคุณเพราะเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดอะไรพบรู้ชัดพบเหตุให้เกิดพบความดับพบรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับเห่งพบเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้ในที่นี้คือรู้ชัดพบนั้นเป็นทุกขสัจนะเหตุให้เกิดพบเป็นสมุทยัยสัจจะความดับพบดับเหตุให้เกิดพบนั้นเป็นนิโรธาสัจจะรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับพบนั้นคือรู้อริยคืออริยมรรคนะีถามว่ารู้ชัดโดยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลน มาสู่พระสัตธรรมนี้ถามว่าพบคืออะไรเล่าลราคุณบอกเหตุเกิดของพบความดับแห่งพบข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับพบคืออะไรคุณพบมีสามอย่างกามาพบหนึ่งรูปะพบหนึ่งอารูะประพบหนึ่งพระอุปาทานเกิดพบจึงเกิดพระอุปาทานดับพบจริงดับอริยมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับ แห่งพบคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดคุณเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดพบอย่างนี้รู้ชัดเหตุให้เกิดพบรู้ชัดความดับพบรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับพบอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละาราคานุสัยละ ร, ราคานุสัยแล้วก็ถอนอะไรบรนเทาปฏิคานุสัยถอนอะไรถอนทิฏฐิมานะถอนทิฏฐิมานะว่าเราว่ามีเราออกจะได้ และอวิชาโดยประการทั้งปวงแล้วก็ยังวิชาคืออร h ธ t h a m ร k ให้เกิดแล้วก็เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันทีเดียวเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่ครนแคลนมาสู่พระสัธรรมนี้พิจารณาอย่างนี้เขาว่าพบภวะาวะในที่นั้นน่ะไปดูคถาที่ท่านปรณาในหน้าที่ห้าร้อยเก้าสิบข้อที่ร้อยสิบเก้า กรรมมาพบและอุปาติพบชื่อว่ากามมพบฉะนั้นกามมพในบรรดาพบทั้งสองอย่างนั้นกรรมที่เป็นเหตุให้เข้าถึงกามมพบนั่นเองชื่อว่ากรรมมาพกรรมที่ให้เข้าถึงการมมาพกรรมที่ให้เข้าถึงรูปประพบกรรมที่ให้เข้าถึงอรูปประพบเหมือนกันไหมเหมือนไม่เหมือนกรรมที่ให้เข้าถึงการมมาพกรรมที่ให้เข้าถึงรูปประพบกรรมที่ให้เข้าถึงอรูปประพบ ตัวเจตนากรรมกุศลกรรมมบทสิบนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทาให้ได้การมภพที่เป็นกุศลอกุศลกรรมมบทสิบนั่นแหละเป็นปัจจัยทาให้ได้กรรมภพที่เป็นอาบายภพเจตนากรรมในกุศลกรรมมบทบทสิบเจตนากรรมที่ในอกุศลกรรมมบทสิบนั่นแหละเป็นตัว ว, ดวัดตัวถามว่ากุศลกรรมมบทสิบมีเป็นอะไรบอกเป็นปฏิโมกสังวร เป็นปฏิโมกสังวรศีลของคารวะาทั้งหลายถามว่าคารวะาทั้งหลายเนี่ยจะมีปฏิโมกสังวรศีลสมาทานไหมปฏิบัติไหมมีกุศลกรรมบทตรสิบอย่างไรเว้นจากปานาติวาทเว้นจากคาทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิชาจารเนเว้นจากมุสาวาตปีสุนาวาจาพุรุสวาจาสัมภภาลาปะอนนาพิชาอภยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นเป็นอะไร เป็นปาฏิโมกสังวรสีนของฆลาวาสทั้งหลายถ้าคลาวาสทั้งหลายไม่มีปาฏิโมกสังวรสีนก็ก็นาคารุณากันไม่รู้ข้อปฏิบัติฉะนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีนะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าปฏิโมกของตนเองนั้นคืออะไรในกลุ่มของคลาวาสทั้งหลายหรือเครือขัดทั้งหลายเนี่ยนะก็ต้องดูให้ดีว่าในกรณีที่ตนเองนั้นจะประพฤติปฏิบัติในการที่ สังวรในปฏิโมกเหมือนภิกสูเหมือนสมณะเนรของเขาท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องดูว่าคืออะไรก็บอกว่าต้องสมาทานทุกวันไหมกุศลกรรมบทต้องสมาทานทุกวันถึงจะสามารถรอดพ้นจากอบายได้ถ้าอย่างนั้นก็ยากที่จะสามารถรอดจากอบายภูมิถ้าบอกว่า ไม่มีกุศลกรรมรบทชสุสีก็คือท่านบุ้นั้นไม่ได้ประพฤติปฏิโมกต์ทั้งวลและศีก็แค่นั้นเองในขณะที่จิตเราอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นแล้วก็จะด่าใช่ไหมวิธีการที่สุดก็คือตอนนั้นก็แปลว่าในชีวิตประจําวันนั้นเป็นบุคคลที่ประมาทคือการไม่เตรียมตัว น, นั่นเ <c oughs> องเพราะว่าจริงๆก็คือว่าในชีวิตของคนทุกคนที่เกิดมาให้สังเกตดูสิคนที่จะประสบความสําเร็จก็แปลว่าเกิดมาต้องวันแผนชีวิต ในการที่จะประกอบอาชีพการงานให้ได้รับประสบความสำเร็จคนที่จะละราคะโทสะและโมหะก็ในทรรนองเดียวกันก็จะต้องรู้จักนะรู้จักโทษภัยของเขาเป็นอย่างดีแล้วก็พึงสังวรระวังให้ดีตึกพิจารณาเห็นโทษเห็นโทษของเขาก็เเห็นกรรมที่ทำด้วยโทสะกรรมที่เห็นด้วยโลทำด้วยโลภะกรรมที่ทำด้วยโมหะ แล้วก็รู้จักวิบากของกรรมที่ทําด้วยราคะโทสะและโมหะว่าจะได้รับผลอย่างไรถ้าพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ราคะโทสะและโมหะเผาตัวเองขนาดนั้นก็ต้องพิจารณาก่อนที่จะไปเห็นให้รอบรู้ก่อนที่จะไปเห็นยำยำพีต้องเตรียมตัวให้ดีนะตรงนี้ถ้าไม่เตรียมตัวแล้วก็จะมีปัญหาเยอะตรงนี้ต้องเตรียมตัวก่อนฉะนั้นกรรมนี่นะกรรมมาพบนั้นเนะ่ะ และอุปาติภพนั้นชื่อว่ากรรมมภพเดบรรดาภพทั้งสองอย่างนะั้นะนะนะกรรมที่เป็นเหตุให้เข้าถึงกามมาภพนั่นเองชื่อว่ากรรมมาภพกรรมที่เป็นเหตุให้เข้าถึงรูปภพกรรมที่ <â> เป็นเหตุให้เข้าถึงอรูปภพในทํานองเดียวกันนวลนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกุศลกรรมมบทสืบเป็นปัจจัยทําให้ได้กามาภพในส่วนที่เป็นกุศลวิบากอากุศลกรรมบทสืบก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําไม่ได้ อบายภพนั้นเป็นวิบาสของอกุศลไปกรตรึกพิจารณาอธิบายว่ากรรมนั่นเองกล่าวว่าพบโดยการกล่าวถึงผลเหมือนคําทั้งหลายมีอที่ว่าการอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขการสะสมบาประธรรมทั้งหลายเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ดังนี้เนะีเพราะกรรมภพ ที่เป็นเหตุแห่งอุปติภพถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็ชัดเจนในพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเจตนากรรมเป็นตัวบ่งบอกภพข้างหน้าเราอย่าเรียกร้องเอาสวรรค์อย่าเรียกร้องเอาพรหมนะแต่ให้พิจารณาในการที่จะสร้างเหตุในการที่จะเกิดเรื่องนี้ถามว่าจริงๆแล้วถ้าการปรารถนาในการเกิดอยู่ก็ชื่อว่าการปรารถนาทุกข์ใช่ไก็คือการปรารถนาภพภพนั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ขั์อยู่แล้วเนี่ย การปรารถนาพบในกลุ่มของผู้มีปัญญาทั้งหลายโดยเฉพาะการศึกษาทรรมวินยัยในอริยวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือบุคคลที่ปรารถนาพ้นจากพบนะฉะนั้นเจตนากรรมที่จะกระทำลงไปทุกๆขณะแม้แต่การให้ทานเม้เพียงทัพผีหนึ่งก็ปรารถนาที่จะพ้นจากพบการตั้งเจตนาในการปรารถนาเช่นนั้นก็เรียกว่าปรารถนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ถ้าปรารถนาในการที่จะอยู่ในภพนั้นนั่นท่านผู้นั้นไม่ใช่สาวก <c oughs> ไม่พูดหักไว้ว่าอย่างนี้อันนี้คือพูดตามวัฒธรรมนะคือพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการเกิดเมื่อไม่สรรเสริญการเกิดนั้นก็ต้องเราจะปฏิบัติตามใช่ไหมทำตามพูดตามคี่ตา ม, ตามเพื่อจะตัดทารุ้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้ามีส่วนในอันที่จะตัดทรุตตามพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าจะตัดทารุตตามก็แปลว่าผู้นั้นต้อง ปรารถนาที่จะพ้นจากภพไม่ใช่ไปปรารถนาในการที่จะเกาะอยู่ในภพเกาะอยู่ในทุกข์เกาะอยู่ทําำอให้อยู่ชื่นชมชื่นชมพ <c oughs> ภพผ่านมาก็ผ่านไปตอนนี้ตั้งเจตนาถูกหรือยังถูกแล้วเนะี่ยยังไงให้ตั้งใจให้ถูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะทําความเข้าใจคําว่าภาวะผิดพลาดไปนะเพราะในส่วนของ กรรมมพบกับอุปาทิภพนั้นต่างกันลักษณะของกรรมมพบนั้นมีการเป็นกรรมเป็นลักษณะคือมีการทําให้เกิดขึ้นเป็นกิจนะลักษณะของกรรมเนี่ยนะเจตนากรรมทั้งหลายนั้นน่ยจะต้องเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นตัวเจตนาด้วยนะย้งตุ๋ยีนะลักษณะของกรรมเนี่ยจะต้องเป็นเจตนากรรมนะเจตนากรรมในเจตนาในอกุศลเจตนาในกุศลและเจตนาใน กุศลโรคกุศลด้วยฉะนั้นจะต้องเป็นลักษณะของเขาจะต้องเป็นเจตนากรรมเป็นลกนะักษณะและมีการทําให้เกิดด้วยและลักษณะของกรรมนั้นจะต้องมีความเป็นกุศลอกุศลด้วยเป็นอาการปรากฏ ด, ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นกลางกลางแล้วบอกว่าเป็นกรรมกรรมไม่ใช่นั้นลักษณะของกรรมมาพบนั้นจะต้องชัดเจนตรงนั้นด้วยทีนี้ถ้าลักษณะของอุปติพบพบต้องเป็นยังไงลักษณะของอุปติพบต้องมีความเป็นผลของกรรมไหม แล้วก็มีการเกิดขึ้นไหมบอกมีการเกิดขึ้นแล้วต้องเป็นอัพยากระตะไหมบอกเป็นอัพยากตะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอุบัติทานเป็นเหตุใกล้นี้เออ่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้เริ่มจะชัดเจนในคําว่าพบการอุบัติเกิดขึ้นกันของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุแห่งความทุกข์การสะสมบาสนํามาซึ่งความเออความสุขการอุบัติเกิดขึ้นของพุทธเจ้าเป็นเหตุของความสุขการสั่งสมบาปเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ฉะนั้นตัวเจตนา ตัวกรรมมาพบกับอุปติภพนั้นก็พึงแยกให้ชัดทีนี้ขันทั้งหลายเนี่ยขันทะปัญจกะรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณขันห้าทั้งหลายที่ตัณหาและทิฏฐิยึดครองแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยอํนนานาจของกรรมชื่อว่าอุปติภพการเกิดขึ้นกันของภพชื่อว่าเป็นที่รองรับของกรรมแล้วนะการมุบัติเกิดขึ้นมาแล้วขันห้าปรากฏแล้วฉะนั้นเมื่อขันห้าปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยชื่อว่าตอนนั้นน่ย เขเรียอุบัติอุบัติอุบัติอุปตินั่นเองอุปดฏิภพนั่นเองเพราะมีความเป็นผลของกรรมเนี่ยเช่นว่าขันห้าปรากฏเกิดขึ้นอย่างนีอย่างนั้นเขาเรียกความปรากฏขึ้นกันของขันเป็นอาการปรากฏนี่นี่เป็นอย่างไงถามว่าเมื่อขันปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอารมณ์ของตันหาทิฏฐิไหมเป็นที่ยึดครองของตันหาและทิฏฐิหมดและลองพิจรารณาดูที่ว ม, มีส่วนไหนที่ตันหาและทิฏฐิไม่ยึดครอง ตันหาและทิฐินั้นจะยึดครองหมดเลยยึดคลองแบบไหนยึดครองแบบชนิดที่ว่าทุกจุดทุกอนูขันห้าย็ดหมดเลยไอ้ตันหาและทิฐิเขายึดนมดตาหัวจมูกลิ้นกายเนะี่ยไม่มีสักส่วนเลยนะที่ตันหาและทิฐิเขาไม่ไปยึดครองการยึดครองของเขานะั่ยคือความชื่นชมยินดีด้วยหน้าของตันหา ทิฏฐิก็คือวางความเห็นไว้ทุกจุดในความในขันขันนั้นอย่าว่าแต่ขันขันนี้เลยแม้แต่ขันบุคคลอื่นใช่ไหมก็ยังเป็นที่ยึดครองของตันหาและทิฏฐิก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมบางครั้งก็ถ้าตันหาทิฏฐิยึดครองแล้วมานะาเก็ตามมาอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวตรงนั้นเลยมีการเปรียบเทียบคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเป็นต้นนะนะวันวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราสามารถที่จะ พูดถึงเรื่องบุคคลอื่นบุคคลรอบข้างสิ่งอื่นมากมายก็คือภาลนาเรื่องขันกันไม่จบไม่สิ้นแต่พาลนาเรื่องอำนางตันหาและทิฐินั่นคืออะไรพเพราะด้ยวยอำนาจของการถูกตันหาและทิฐิเข้าไปยึดครองใช่ไหมมีการมีภาควิจานั่งคุยขันบางขันนี่โอ้ยคุยได้ทั้งวันแล้วภาลนาอยู่ท่าแเลย <laughs> ทํากรรมยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเมื่อได้ขันขะันนี้มาแล้ว ตันหาและทิฏฐิก็ยึดคลองพอยึดคลองในขณะนั้นก็คือไปทํากรรมเงินเงินจะไมไปทํากรรมถ้าเราไปชื่นชมขันนั้นแปลว่าเราพร้อมที่จะไปอยู่ใกล้ๆขันนั้นวางวางวางปฏิสนธิไว้รอบรอบรอบสลีละคนนั้นเบ็ดเสร็จหมดแล้วประเภทว่าในใน32สองนี่แสดงว่าวางไว้เบ็ดเสร็จหมดชื่นชมดีนะได้อยู่ใกล้ชิดสมใจเลยว่ิเงินไม่ห่างเลยท่านี่ อยู่อย่างทรมานเหมือนกับที่พูดคําว่าพบพอพูดถึงคําว่าพบไอตัวภาวะตัวคําว่าพบนี่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านมองพบทุกพบมองอยังไงบอกเห็นพบทุกพบเหมือนเรือนจําเหมือนกองขังอะไปพบใดพบใ ด, บดก็แล้วท่านคิดมานานหรื อ, อยังอกโอ้โหคิดมาคิดมาก่อนเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับนะเห็นพบทุกพบด้วยความเป็นเหมือนกองขังเนี่ยเพราะตอนที่อยู่ตอนเป็นสุเมธดาบทเห็นไ้ม อยู่ต่อหน้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะได้ตัดสรู้เนี่ยตอนนั้นน่ะอรหัตมรักพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ายื่นอรหัตมรักให้เฉพาะหน้าไม่รับเหมือนปฏิเสธอรหัตมรักปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องยอมเดือดร้อนอีกเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนกลับถามเดือดร้อนเพื่อใครปรารถนาสมบัติใช่ไหมมหากรุณาในใจเองสงสารสาศาสตร์เหมือนพวกเราสงสารคนวังคนแต่เฉพาะบุคคลไม่ึดือดร้อะ บานทีหมูหมู่นอนทั้งหลายหมู่แมลงทั้งหลายที่อยู่รอบข้างระบอกไม่สงสารเขาหรอกแต่ถ้าคนคนนี้สงสารแต่เฉพาะสงสารด้วยนยะเพราะอะไรเพราะคนนี้น่าสงสารนอกนั้นไม่ค่อยน่าสงสารเห็นไหมเพราพิจารณาอย่างนี้บอกว่าพบทุกพบให้เห็นด้วยความเป็นกงขังเลยตั้งเห็นเร่าร้อนมากเหมือนหลุมทานเพลิงเลยว่าไงนะท่านท่านไม่ใช่ยินดีในการที่จะอยู่ในภพนะี้แต่ ปรารถนาตั้งเจตนามีพระมาหากุมีมาหากรุณาธิคุณในการที่จะหรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัตสงสารออกจากกองทุกออกจากกงเนี่ยไม่ใช่ตนเองพ้นแล้วเนี่ยปล่อยคนอื่นทุกอย่อย่างเงี้ยเพราะก็รู้อยู่พุทธเจ้ายุนั้นก็ค้นได้ก็พ้นขนได้ขนาดนี้สละเลยสละอาหารมะยอมรับภาระอย่างใหญ่หลวงในการสร้างบา ร, รมีอย่างเนี่ย โอพิจารณาอย่างนี้มามองอย่างพวกเราทั้งหลายเอามองพบทุกเอาไม่ต้องมองพบทุกพบหรอกมองสิ่งรอบข้างเลยเหมือนกงขังได้ไหมบ้านเหมือนกงขังใช่ไหมสถานที่ที่ไปทํางานเหมือนกองขังที่จะต้องไปทํามาหากินเหมือนกองขังมีคนคนหนึ่งพูดอย่างนึงนกขำขำแบบได้ปัญญาเนีะแกบอกเว้ยคนคนหนึ่งตื่นขึ้นมาไม่มีหน้าที่อะไ ร, รสรับขาไก่อยู่อย่างเดียว ส, บสับน้องไก่ขายอยู่อย่างนั้นเน่ย เดี gen, ๋ยวก็ตื่นขึ้นมาแล้วสับสับสัมีหน้าที่สับน้องไก่ต้มต้มก็ขายอยู่อย่างนั้นตื่นขึ้นมาก็มาติดอยู่ตรงนั้นอะไรแนั้นเลยอีกบางคนก็ต้องอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นั่นเล็กๆที่นั่นแหละวะากแบนั้นเนาะทรมานอยู่ตรงนั้นนะบางคนบอกเฮยมีหน้ามีตาหน่อยว่าทํางานในธนาคารอะไรแบนพอเข้าไปในธนาคารปุ๊บก็เหมือนมีล็อกขังตัวเองด้วยเนะ้อพรต้องอยู่เป็นแ่นกบัญชีอะไรอย่างเนี้ย แฟนแพ่นไหนเงินเดินั่งนับเงินเนี่ยใครๆก็บอกโอ้ยโกงมากกว่าเงินนะแต่ที่ไหนได้ติดคุกเน่ะยังไม่รู้ว่าติดคุกกันั้างอย่างไปพกอยู่ในร้านลงจำนำําก็ว่ายิ่งลําบา ก, กอยู่ในเรืวกลัวเขาจะลักของแท้จริงคือขังตัวเองไปเจอพระโยโรปหนึ่งเป็นพระเถร้านไม่พูดแล้วไม่ได้ไปนินทาท่านท่านก็เจอขอมุงขโมยเล่นงานท่านบ่อยปไปๆมาท่านรับแขกโดยปิดประตู คือแขกไกลๆมาอยู่ข้างนอกเลยแต่ท่านล็อกล็อกประตูอย่างนี้แท้ที่จริงก็คือพูดว่าเนี่ยพบเป็นกองมันติดกันเนี่ไปไม่ได้ไปไปมามาก็ต้องเตะอยู่อย่านีน้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องกลับใช่ไหมก็ไปติดอยู่อย่านี้ยนะไปไหนก็ไปเดี๋ยวก็ต้องวิ่งกลับมาใช่ไหมนั่นแหะก็ติดคุกกันแต่ว่าปัญหาคือว่าให้เห็นโทษจนเกิดความเบื่อหน่ายละกิเลสตัณหาได้ก็เห็นบ่อยๆแล้ว มันจ่นานๆปลาลอบทีถึงเห็นถึงเห็นน้วยนะแต่ไม่เคยไปพิจารณาเองจะให้เห็นนี่ก็เลยลาบางนั่นแหละพิจารณาให้บ่อยอพิจารณาให้บ่อยให้เกิดธรรมสังเวชธรรมสังเวทขายบ่อยทำทั้งสองอย่างนั้นขันธ์ปัญจาการนั้นนะท่านท่านกล่าวว่าพบโดยตั้งวิเคราะห์ว่าเป็นที่เกิดแห่งปฏิสนธิจิตพบทั้งหลายมันเหมือนภาชนะพูดอีกทีคล้ายๆเป็นภาชนะเป็นที่รองรับในตรงนี้ คล้ายๆนะเพราะเป็นที่เกิดนะคล้ายๆว่าเป็นภาชนะถ้าบอกว่ามีภพก็คือเป็นที่ทําบุญและทําบาป <c ười> มีภพนี่เป็นที่ทําบุญและทําบาปรทั้งศาสตร์ทั้งหลายแต่โดยส่วนมากคือทําบาปหรือถ้ามองในแง่ของคนมีปัญญาทั้งหลายเขาบอกเป็นที่เป็นที่มองบุญและมองบาปเป็นผลของบุญแล้วเป็นผลของบาปคนมีปัญญาทั้งหลายมองเห็นขนันทุกขนันเขาคิดถึงบุญและบาปเพราะเขาเห็นนี่ย เห็นขันทุกขันแล้วเขาก็ตึกว่าเอ็มมาจะ ก, กรรมประเภทไหนและกําลังทํากรรมอะไรแล้วก็พิจารณาถึงตนเองว่าตนเองจะพ้นจากขันเหล่านี้ได้อย่างไรฉะนั้นเห็นขันแล้วก็ทําปัญญาให้เป็นไปได้ ท, ทําสมมาธิที่ให้เกิดขึ้นมาได้บางกลุ่มก็ได้กรรมสักตาสมาธิที่เป็นอย่างดีแต่ถ้าใครพิจารณาตรงนี้ไม่ได้ก็คือเห็นผลบุญผลบาปปรากฏเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ทำปัญญาสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้แม้แต่กรรมสักกาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นยังทําให้ปรากฏเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็แปลว่าเผลอๆยั ง, ยงไปทาบาปอากุศลกับการเห็นผลบุญและผลบาปบางทีเห็นแล้วใช่ไหมเราก็น่าจะรู้น่าจะพิจารณากันชัดใช่ไหมเอ้ยผลบุญผลบาปเนี่ยปรากฏให้เห็นแล้วนะแต่เรากลับทําบ่าป <c oughs> เห็นปรากฏเฉพาะหนะ้าจะรอให้โยมาบาลคอยเตือน เคยเห็นคนเกิดไหมก็เห็นคนแก่ไหมถ้าลอตรงนั้นไม่ไหวแล้วในสองอย่างนั้นคือกรรมมพบนี้กับอุปาติพบนี้นะท่านกล่าวว่ากามมาพบแม้โดยประการละทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกรมมพบหรืออุปาติพบนั้นท่านเรียกว่ากามมาพบโดยประการละทั้งปวงในรูปประพบและรูปประพบก็ในทํานองเดียวกันดังที่ได้กล่าวนะกรรมที่เป็นเหตุให้เข้าถึงกามมพกรรมที่เป็นเหตุให้เข้าถึงรูปประพบกรรมที่เป็นเหตุให้เข้าถึง อรูปภพก็คิดพิจารณาอย่างนั้นแต่ในอุปาทานในคําว่าอุปาทานสมุทะยานี้เป็นปัจจัยของกรรมภพที่เป็นกุศลโดยอุปนิสยปัจจัยนั่นเองและก็ตรงนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ว่ากุศลนั้นนะเจตนากรรมที่เป็นกุศลนั้นสามารถจะเป็นอุปนิสยาปจัยให้กับกรรมภพที่เป็นกุศลได้กรรมภพที่เป็นกุศลเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้ว่า อุปนิสยปัจจัยในอดีตสามารถจะเป็นปัจจัยกุศลนี่นะเจตนาหรือกุศลกรรมบดสิบทั้งหลายนี่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้กับบุคคลนั้นทำกุศลในปัจจุบันจพบได้ไหมสามารถที่จะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสยปัิจัยเป็นอุปนิสัยให้บุคคลนั้นคนนั้นคล้อยไปในทางกุศลศีลกุศลได้เป็นอย่างดีก่อนเมื่อทำอุปนิสย เมื่อได้อุปนิสัยปัจจัยในอดีตเป็นปัจจัยทําให้บุคคลนั้นคิดในการที่จะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะจิตของบุคคลนั้นก็น้อมไปในเมตตาใช่ไหมน้อมไปในการที่จะเจริญเนคขัมมะแล้วก็น้อมไปในการที่จะไม่เบียดเบียนเนี่ยนะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วลักษณะต่อไปคือเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องเนี่ยในด้านของสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นอย่างดีเนี่ย ถามว่า น, นั้นอะไรเป็นปัจจัยบอกว่าอุปาทานนะอุปาทานในอดีตเป็นปัจจัยให้การกระทํากุศลในปัจจุบันนี้ก็ได้อันในกลุ่มของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเ อ, อพิจารณาอย่างนี้นะว่าเราเจริญกุศลกรรมวจิตในปัจจุบันเนี่ยถามมีอุปาทานสีการมุปาทานทิฏฐปาทานสีระพตุปาทานอัตวาทุปาทานในอดีตใช่ไหมเป็นปัจจัยในการทําบุญก็มีเมื่อเราทําบุญอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยหรือ การทำบุญในปัจจุบันเนี้ที่เป็นกุศลกรรมบท10ิบเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้เราได้เจริญกุศลในพบต่อไปแล้วก็ได้อุปติภพในพบต่อไปก็ได้ใช่ไม่ใช่ทําให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทําให้ได้สภาพของขันห้าที่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาในอนาคตด้วยอำนาจการทํากุศลแล้วก็ได้ไปเจริญกุศลต่อลักษณะอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยในฝ่ายดีได้ และในธํานองเดียวกันอุปาทานยังเป็นปัจจัยของกรรมที่เป็นอกุศลอีกด้วยโดยอุปนิสัยปัจจัยบ้างโดยสหาชาตปัจจัยบ้างเป็นต้นแต่ต่างกันนะกิเลสอุปาทานเนี่ยกามุปาทานทิ่ถุปาทานเนี่ยนะถ้าเป็นปัจจัยให้กับกุศลเขาไม่เกิดพร้อมกันไม่เกิดพร้อมกันอะทาไมจึงไม่เกิดพร้อมกันเพราะบุญกับบาปเกิดพร้อมกันไม่ได้ไม่สามารถจะเกิดพร้อมกันได้แต่เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้กันได้ คือบาปเกิดก่อนๆ น, นั่นแหละอุปาทานยังมีอยู่ถ้าไม่มีอุปาทานในอดีตปัจจุบันจะเกิดไหมเกิดไม่เกิดถ้าไม่มีการมุปาทานในอดีตปัจจุบันจะจะเกิดไหมคนหมดอุปาทานคนๆนั้นก็คือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดภาพของขันที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าในแง่ของอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลแต่ถ้าในแง่ของอกุศลละ่ะอุปาทานเป็นปัจจัยแก่อกุศ ล, ลกรรมทั้งหลาย ในขณะที่ประพฤติอกุศลกรรมบทสิทธิ์ปานาติบาตอธินาทานการเมสยมิชฌาจาร์มุสาวาตติสุนาวาจาพรุรสวาจาสัมผัสภราปะอภิชาพยาบาทมิชฌาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยในขณะนั้นน่ะอุปาทานเกิดนนั้การ ม, มุปาทานทิถุปาทานสิเกิดไหมเกิดเกิดร่วมไหมยันสเดีเกิดร่วมไห ม, ย อ, ม, ไหมอย่างนั้นเขาเรียกเป็นสาชาตปัจจัยและเป็นศาชาตนิสยาด้วยแรงกล้ายิ่งยิ่งขึ้นไป คนที่ทำกรรมด้วยโลภะจะทำหนักมากคนที่กรรมกรรมด้วยด้วยอุปาทานก็จะทำค่อนข้างหนักมากทำแล้วยังมั่นใจตัวเองด้วยพอใจมั่นคงยึดมั่นโดวยว่าตนเองทำถูกต้องแล้วนี่ก็เรียกนิสยปัจจัยนะและสาชาตปัจจัยแต่เป็นปัจจัยของอุปติภพและกรรมภพที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหมดโดยอุปนิสยปัจจัยบ้างฉะนั้นอุปนิสยปัจจัยนั้นจึงสามารถเป็นปัจจัยแก่ กุศลและอกุศลกรรมมาพบได้เหมือนกันเออได้ได้ได้เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าในแง่ของอกุศลแล้วก็เป็นสาชาติเป็นสาชาตานิสยาได้ด้วยสามารถที่จะเป็นทั้งอุปนิสัยได้แล้วก็เกิดพร้อมกันกับการทําบาปได้ในขณะนั้นท่านจึงให้พิจารณาพบเนี่ยนะบอกรู้ชัดพบรู้ชัดเหตุให้เกิดพบรู้ชัด ความดับของพบรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับพบว่างั้นนะคือว่าถ้าอย่างพวกเราทั้งหลายจะสาธยายทั้งสาธยายยังไงบอกสาธยายบอกว่าพบเป็นทุกขสัตย์ไม่ว่าจะเป็นกรรมมพบและอุปาฏิพบนี้เป็นทุกขสัตย์แล้วก็พบสมูทัยเป็นเหตุให้เกิดพบเป็นอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดพบพนิโรธ คือความดับพบดับเพียรให้เกิดพบเป็นนิพพานพบนิโรธคาไมินีปฏิปทานนี้คืออริยมรรคมีองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับพบถ้ารู้ชัดพบรู้ชัดแบบเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงนะรู้ชัดพบด้วยรู้ชัดว่าพบนี่เป็นทุกข์โดยปริญญากิจโดยโดยโดยตีรณะปรินโดยปริญโยยาตะปริญญาโดยตีรณะปริญญาและโดย ประหารฉันทราคะที่ยินดีพอใจในพบเนี่ยยินดีพอใจเนี่ยถ้ า, ารู้ชัดต้องรู้ชัดอย่างนั้นรู้ชัดเหตุให้เกิดพบต้องรู้ชัดแบบว่าประหารประหารสมุทรไทยก็เหตุให้เกิดพบได้อย่างเด็ดขาดรู้ชัดนิโรธก็คือสามารถมีเป็นรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้รู้ชัดข้อปฏิบัตินั้นก็คือว่าอบรมอริยมรรสามารถทํากิจในการประหารมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เนี่ยถ้าทําได้อย่างนั้นน่ยจึงจะสามารถ ละอะไรได้ราคาโนุสถอดบันเทาปฏิคาโนใสถอนทิฐีมานะแล้วก็ละอวิชาได้โดยประการและทงปวงยังวิชาคืออาลัทธมารให้ปรากฏเกฏิดขึ้นใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ดับทุกข์ได้ในปัจจุบันไหมได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเขาเรียกว่า เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธา ม, มั่นคงไม่คลอนแคลนเข้ามาสู่พระศัทธรรมนี้จะเป็นอย่างนั้นนะะต่อไปหน้าที่529ข้อที่120อุปาทานวาระนะภิกษุเหล่านั้นได้กาเปียนถามใต้เท้าครับบอกเหตุปริยายอย่างอื่นยังมีอยู่ไหมบอกเหตุปริยายอย่างอื่นนะยังมีอยู่อีกไหม คือท่านกระถาปัญหาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปบอกที่จะให้อริยะสาวกรู้ชัดมีศรัทธานีมีมความเลื่อมใสอย่างมั่นคงมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมท่านพระสารีบุตรก็ตอบบอกว่ายังมีอยู่คูณยังมีอยู่อาวุโสถ์ด้วยเหตุที่อริยะสาวกรู้ชัดซึ่งอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทาน รู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอุปาทานแม้เหตุเพียงเท่านี้คุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้นี่ อ, อุปาทานมาตั้งโดยกําหนดให้รู้ว่าอุปาทานอุปาทานสมุ ท, ทยัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธคามีปฏิปทานถามว่าอุปาทานคืออะไรเล่าคุณ เหตุเกิดอุปาทานความดับอุปาทานข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอุปาทานคืออะไรตอบว่าอาวุโสอุปาทานมีสี่อย่างดังต่อไปนี้การมุปาทานความยึดมั่นด้วยอำนาจแห่งกามทิฏฐุปาทานความยึดมั่นด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิศีระประตุปาทานความยึดมั่นด้วยอำนาจแห่งศีลและพจน ต, ตาวาทุปาทานความยึดมั่น วาทะวาตนเพราะตัณหาเกิดอุปาทานจึงเกิดเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับอริยมรรคมีองค์แปดเท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนะของใครผิดก็แก้เะเพราะความดับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิเมื่ อ, อริยสาวกรู้ชัดทุกเหตุเกิดให้เกิดทุกข์ดังนี้แล้วเนี่ยนะรู้ชัดความดับทุกข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกขอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อนั้นแหละเธอละราคานุสัยบรรทาปฏิคานุสัยถอนทิถีละมานะว่าเรามีอยู่ออกได้และวิชาได้โดยประการทั้งปวงอย่างวิชาคืออรหัตมคให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันเลยทีเดียวเท่านี้แหละคุณ อริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครรครแคนได้มาสู่พระสัตธรรมนี้เนี่ยไปพิจารณาอุปาทานวาระนะในหน้าห้าข้อที่120อุปาทานอุปาทานการมุปาทานังในอุปาทาวาระกิเลชาติชื่อว่าอุปาทานหรือชื่อว่ากามุปาทานเพราะวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุย็ดมั่นวัตถุกรรม หรือเพราะยึดมั่นวัตถุกรรมนั่นเองอย่างนี้ให้พิจารณาถึงกามด้วยและก็อุปาทานด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าการมุปาทานเนี่ยนะคว่ายึดมั่นในที่นั้นน่ะดังที่เคยกล่าวว่าเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิเครื่องยึดมั่นคืออะไรเครื่องยึดมั่นกิเลสยึดมั่นกามุปาทานเครื่องยึดมั่นกิเลสการามเครื่องยึดมั่นวัตถุกามมีสองอย่างนะเครื่องยึดมั่น เครื่องยึดมั่นคือกิเลสกรรมกับเครื่องยึดมั่นวัตถุกามไอตัวเป็นือไอตัวตัวตัวยึดมั่นน่ยตัวเป็นเครื่องไปยึดมั่นน่ยคือก like ิเลสกรรมนะไอสิ่งที่ถูกยึดมั่นนั้นคือวัตถุกรรมมันเหมือนกับว่าเครื่องรถกับตัวรถเครื่องรถกับตัวรถนี่คนละอย่างกันเลยเนี่ยไอเครื่องรถนั้นคือทําให้รถเมื่อคนเดินเมื่อไรเมื่อไหลแล้วรถเดินไปได้ แต่รถนั้นเดินไปไม่ได้นั้นสภาพของวัตถุวัตถุ ก, กรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกยึดไอ้กิเลสนั้นคือตัวเข้าไปยึดคือเครื่องที่เข้าไปยึดสภาพที่เข้าไปยึดกิเลสกามทั้งหลายเนะี่ยกรมคือว่ากลุ่มว่ากิเลสทั้งหลายแต่ในที่นี้กิเลสกามนั้นท่านกล่าวว่าเป็กี่อย่างโลภะทิฏฐิมีสองอย่างเลยนะเป็นความยึดมั่นประการต่อมาก็คือว่าทิฏฐิทีนี้ การยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานเพราะอุปรสรรคในที่นี้เป็นอุปาทานหนึ่งตัวลักษณะของความยึดมั่นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นการมุปาทานท่านยังแยกออกเป็นสองอย่างเครื่องยึดมั่นกิเลสกรรมกับเครื่องยึดมั่นวัตถุกรรมรู้จักคําว่าเครื่องยึดมั่นคือกิเลสกรรมไอ้ตัวไปยึดมั่นน่ยคือตัวกิเลสกรรมไอ้สิ่งที่ถูกยึดมั่นนั่นคือวัตถุกรรมนี่เขาเรียกว่าพวกกลุ่มกิเลสชาติที่เป็น วัตถุกรรมส่วนกับวัตถุกรรมและส่วนของกิเลสกรรมเนี่ยก็ไปแยกแยกกันให้ออกพิจารณาเห็นว่าในกลุ่มของอุปาทานเป็นเช่นนี้นะทีนี้กลุ่มของวัตถุกรารมคืออะไรเล่าถ้าพิจารณาคือรูปนะรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนะกลุ่มต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นอุปาทานทั้งนั้นหนึ่งถามว่าจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของอุปาทานน่ยดูอะไรดูกลุ่มที่ว่า ยึดมั่นในรูปยึดมั่นในเสียงยึดมั่นในกลิ่นยึดมั่นในรสยึดมั่นในสัมผัส it. สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะสภาพของอุปาทานทั้งนั้นเลยมองเห็นใช่ไหมอุปาทานคือตัณหาใช่ไหมหรือต่างจากตัณหาต่างกันไหมเอาต่างตรงไหนอ่ะอุปาทานกับตัณหาต่างกันตรงไหนลักษณะของตัณหาเป็นลักษณะที่ยังไม่รุนแรงเแต่ถ้าลักษณะของอุปาทานนี่เป็น การยึดมั่นในสิ่งที่ผิดด้วยโลภะบ้างด้วยทิฏฐิบ้างใช่ไหมกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีระปตูปาทานอัตวาทุปาทานทักษุลมของกามุปาทานก็คือรูปูปาทานเออรูปะกามุปาทานศัทธากามุปาทานคันท้ากามุปาทานทิฏฐุเดี๋ยวเขาจะดีราษฎกามุปาทานผดุทภกามุปาทานและก็ธรรมะกามุปาทานไอตัวที่มันมีอย่างไงยังยึดมั่นรูปไอตัวกิเลสอย่างนี้เป็นกิเลสกาม ไอตัวรูปนั้นเป็นวัตถุกรารมใชมเสียงเป็นวัตถุกรรมกิเลส ท, ที่เข้าไปยึดในเสียงเป็นเป็นกิเลสกามยัยบ อ, อกว่ามันมีสองส่วนอย่างนี้ใช่ไหมรสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมทั้งหลายก็ในทํานองเดียวกั น, นมีตัววัตถุกรรมแล้วก็กิเลสกามเนี่ยผมเป็นอะไรผมขนเล็บฟันวัตถุกรารมกิเลส ท, ที่เข้าไปยึดไปยินดีไปพอใจ ยินดีใหม่ใหม่เป็นตัณหาพยจวัตรว่าเป็นเอโซหามัสมิเออขอโทษทียายนะเอตังมมนีคือตัณหาเอโซเมหามัสมินี่คือมานะเอโซเมอตตางั้นการไปยึดมั่นเนี่ยนะไปเป็นกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอันนั้นคือปัจจัยของอุปาทานเป็นปัจจัยของอุปาทานเขาต้องบอกธรรมชาติใดเข้าไปยึดมั่นฉะนั้นธรรมชาตินั้น ชือว่าอุปาทานได้แก่ตันหาและทิฏฐินะที่มีกําลังมากตามต้องมีกําลังมากด้วยไหมบอกใช่ถ้ามีกําลังน้อยเป็นตันหาถ้ามีกําลังมากเป็นอุปาทานที่กําลังศึกษากันอยู่ยนะการมุปาทานนี้เป็นชื่อของราคะที่เป็นไปในกาลมาคุณนี้เป็นข้อสังเขปในการมุปาทานนี้แต่โดยพิสบัลลนั้นพึงทราบโดยในที่ตัดไว้ด้วยความเป็นบรรดาวปาทานเหล่านั้นการมุปาทานเป็นเฉไหนได้แก่ความพอใจ ด้วยอำนาจความไข่ในกามทั้งหลายความพอใจด้วยนาคของความไข่ในไหนไข่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็แยกแกะแกงไปในพบด้วยไหในกามะพบในรูปะพบในรูปะพบได้ไหมที่ว่ากามุปาทานได้ความยึดมั่นที่ไหนมีรูปอะเขายึดมั่นได้ทั้งนั้นที่ไหนมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสและก็มีธรรมมารวมทั้งหลายเนี่ยไม่มีล็อกที่จะไม่เป็นปัจจัยแก่ อุปาทานอุปาทานเข้าไปยึดได้นะลักษณะมายึดมาเพื่อจะอะไรยึดมาเพื่อจะทำกรรมทิฏฐุปาทานก็อย่างนั้นคือทิฏฐิด้วยเป็นอุปาทานด้วยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐุปาทานอย่างนี้เครื่องยึดมั่นคือทิฏฐิเครื่องยึดมั่นคือทิฏฐินั้นนะนะที่เกิดขึ้นยึดมั่นในอะไรยึดมั่นยึดถือว่าความเห็นนี้ถูกความเห็นอื่นนั้นผิดเป็นทิฏฐุปาทานไหมเครื่องยึดมั่นทิฏฐิถ้าลักษณะอย่างนั้นนะประเภทที่กลุ่มความเห็นเนี่ยนะ บอกวความเห็นนี้เท่านั้นถูกความเห็นอื่นผิดโมตเนี่ยถ้าแยกออกไปแล้วมีมากในพมชลสูตรแยกออกเป็นห2สิบสองเลยหกสิบสองลทัทธิหกสิบสองความเห็นนะเออมีถ้าพูดถึงในเรื่องของทิฏฐินะมีบางกลุ่มนะมีความเห็นบางทีเข้าไปหาว่าผู้มีพระภาคเจ้าก็ไปบอกว่าข้าแต่ท่านพสมณะพระโคดมผู้จเจริญว่าไงนนสิ่งใดไม่ควรไม่ควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่ชอบใจหมด คือไปไปหไปหาพระเจ้าส like ิ่งใดที hmm. that, ่ไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมดพระเจ้าดูกรเหมือนปริพาชกบอกว่าแม้ถ้าเช่นนั้นความคิดของท่านที่ไม่ควรก็ต้องไม่ควรแก่ท่านด้วยถ้าไปคิดบอกว่าเออสิ่งใดที่ไม่ควรหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเนี่ยข้าพเจ้าไม่ไม่พอใจหมดถ้าอย่างนั้นจิตของท่านที่คิดเนี่ยท่านก็ต้องไม่พอใจด้วยตัวของท่านท่านก็ต้องไม่พอใจตัวเองด้วยเพราะสิ่งนั้นท่านบอกไม่ควร ถ้าสิ่งนั้นน่าเกลียดไอสิ่งที่มันน่าเกลียดกว่สิ่งนั้นคือจิตของคุณที่คิดเน่ย<ม>บางคนก็บอกโอ้ยคนคนนั้นน่าเกลียดมากัมสรีเป็นบ่อยว่าโอ้ยคนนั้นน่าเกลียดไอความคิดของตนเองไะที่ไปบอกว่าไปเห็นว่าน่าเกลียดนั้นน่าเกลียดคุณก็ต้องไม่ต้องก็ต้องเกลียดความคิดของคุณด้วยเพราะเวลาอาจารย์ตอบมาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเอาพิจารณาอเอาจาาอจริงจริง แต่ว่านในความรู้สึกจริงๆมีใครบ้างที่ไม่บูชาความคิดของตนเองฉะนั้นการการเทียบเทียงบอกความคิดของข้าพเจ้าเท่านั้นถูกความคิดของบุคคลอื่นนั้นผิดลักษณะเช่นนี้คืออะไรก็คือทิฏฐุ ป, ปาทานนี้แหละคือประเภททิฏฐิเมื่อสร้างทิฏฐิอย่างนี้มากขึ้นมาแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิหกเป็นอันตักคาหักจะทิฏฐิสิบสิบ เบ็ดเสร็จรวมเป็นทิฏฐิเจ็ดสิบห้าเนี่ยแล้วถามว่าจะมากมายขนาดไหนเช่นประเภทนัติกาทิฏฐูปาทานอเยตุกาทิฏฐิทิฏฐุปาทานอากริยาทิฏฐูปาทานเนี่ยถ้าไปเห็นว่าไม่มีซะแล้วเนี่ยไม่เห็นว่าไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกนั่นไม่มีสมเห็นอย่างนี้หรือไปเห็นในกลุ่มบอกว่าทานที่ให้แล้วเนี่ยไม่มีผล คุณของพ่อแม่ไม่คุณของพ่อไม่มีคุณของแม่ไม่มีการบูชาไม่มีผลสัตว์ที่ตายแล้วอุบัติเกิดขึ้นเองไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยเนี่ยไม่มีปฏิเสธถ้าถ้าความเห็นอย่างนี้จะน่ากลัวเพีงยงใดหรือประเภทปฏิเสธเหตุ น, นละบอกโอ้ยเนี่ยการมาเกิดได้อะไรต่างๆการทําอย่างนี้ก็ไม่มีผลไม่การสร้างเหตุไม่ได้รับผลหรอก หรือที่เราเกิด อ, อยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้มีเหตุมาอย่างอื่นหรือประเภทปฏิเสธผลเออปฏิเสธกริยาปฏิเสธอาการหมดเลยปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลเลยไม่เรียกว่าทําหมือนบุญก็ไม่เรียกว่าทําบาปก็ไม่เรียกว่าทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหลายก็ไม่เรียกว่าบาปเป็นแต่เพียงว่าดินน้ําไฟลมต่อแทกไปในดินน้ําไฟลมเท่านั้นเองเป็ดไก่จะต่างอะไรก็มีแต่ดินน้ำไฟ ล, ลมไ ป, ไปชุมกันเป็นเป็เปดเป็นไก่ มนุษย์ก็คือเป็ดดินน้ำไฟลมไปชุมกันที่สมมุติเรียกว่ามนุษย์เ็อมองดีด้วยนะฉะนั้นการที่จะไปตัดสิ่งเหล่านี้ออกให้กระจัดกระจายการที่จะไปทําลายสิ่งเหล่านี้ให้แตกสลายให้ผุพังให้ขาดลงไปก็ไม่ชื่อว่าไม่ชื่อว่าทําบาปไม่ชื่อว่ากิริยาถ้าเห็นอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมทายทีสิปานนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนี่อุปท า, านไหมถ้าขนาดเนี้ยนี่ก็คืออุปท า, านแต่ในกลุ่มของบุคคลที่เห็นว่า โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก้อนอนั้นสรีระก้อนอนั้นโอ้ยังเหลือทิฏฐิีกเยอะเนะี่ยทิฏพวกเราทั้งหลายจะวิ่งไปแบกถือกันมั่นใจไหมมั่นใจไหมโลกข้าพเจ้าจะไม่มีทิฏฐิจะไม่มีอุปาทานแล้วกิเลสชาติชื่อว่าทิฏฐูปาทานเพราะยึดมั่นทิฏฐิหนึหรือชื่อว่าทิฏฐูปาทานเพราะวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุให้ยึดมั่นเห็นไหมเขาเป็นเหตุให้ยึดมั่นด้วยไม่ใช่ชื่อว่าทิฏฐิอย่างเดียวนี่ยเายังเครื่องยึดมั่นนนโดดดยยยเเป็หหตุใ้้มั่ว กิเลสชาติใดย่อมยึดมั่นด้วยทิฏฐิเดิมในคำทั้งหลายเมียที่ว่าทั้งอัตาอตาอาตมันทั้งโลกนี้เป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นกิเลสชาตินั้นจึงจึงชื่อว่าอย่างนั้นเรียกว่าทิฏฐุปาทานกิเลสชาติที่ไปมีความเห็นบอกว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะสรีละเป็นอันเดียวกันเห็นว่าชีวะและสรีระเป็นคนละอัน เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วเกิดต่อไปอีกเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่เกิดต่อไปอีกันนี้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมองเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีหรือว่าเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายแล้วนี่ย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยล้วนเป็น ทิฏฐิทั้งนั้นที่เห็นในกรมลักษณะเช่นนี้งั้นเป็นนั่งวิเคราะห์การเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็คิดเัาเองเป็นทิฏฐิัห ม, หมเป็นไม่เป็นเป็นทิฏฐิ <c oughs> พราะคิดแบบคนตาบอดเหมือนคนตาบอดนั่งปรึกษากันคนตาบอดนั่งปรึกษากันแล้วก็บอกโอ้ยทีส่สีนั้นงามมากใช <c oughs> คนตาบอดคุยกันโอ้ยสีโห่เขาคือตาบอดทั้งคู่ไงก็เลยไม่รู้ใช่ไหมอีกคนนึงก็นึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ ก็เลยคุยกันว่าพารนาพารนาไปว่าสีนั่นสวยเนะ้อนอีหูนขงอีคนหูหนวกพารนาเสียงกันด้วชื่นชมเสียงคนตาบอดชื่นชมสีเหมือนคนโง่ทั้งหลายเนะ้อหรือคนพานทั้งหลายคุยเรื่องสิ่งที่ตนเองไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้บรรลุอะไรเลยเนะี่ยมาคุยซะดิบดีว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นว่าโอเขาเห็นแล้วเขาจะพึง ยังความสลดสังเวชใจให้เกิดขึ้นสักเพียงใดในกลุ่มบัณฑิตทั้งหลายมีพระอริยะเจ้าเนะี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดูบุตุชนทั้งหลายสนทนากันแล้วท่านจะเอื่อมละอาสักพานใดบางทีชื่นชมอะไรชื่นชมอสุภะ <c oughs> ในกลุ่มของยึดมั่นในทิฏฐิก็คือชื่นชมอสุภะในกลุ่มของบุคคลที่ทิฏฐิก็คือชื่นชมพบสารเสริญพบแล้วก็อวดว่าตนเองนะรู้เข้าใจ ในพบแล้วก็รู้ว่าตนเองนั้นเก่งเป็นต้นนั่นนะจะมีอะไรนอกจากความยึดมั่นด้วยอํานาจของทิฏฐิอันนี้นที่สุดจริงๆก็คือไม่สามารถจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นั่นแหละอวดกันไปนที่สุดจริงๆก็ต้องไปอาบายทุคติวิธีบาสแล้วก็นรโรคพวกนั้นนี่มีมีเป็นเป็นไปตามตามเขาเรียกอะไรยะถากรรมเลยมองเห็นไหมอย่างเนี้ยทีนี้กิเลสชาติย่อมยึดมั่นทิฏฐิ เพราะฉะนั้นกิเลสชาตินั้นจึงชื่อว่าทิฏฐุปาทานใช่ไหมอย่างที่ตัดไว้เป็นอาทิว่าทั้งอัตตาอาตามันทั้งโลกนี้เป็นของเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นเป็นสัติยะของจริงสิ่งนี้เป็นโมคะไร้ประโยชน์คำนี้ทิฏฐุปาทานนี้เป็นชื่อของทิฏฐิทั้งหมดเว้นไว้แต่ศีระพตุปาทานคือหมายความว่าต่างกันนะทิฏฐุปาทานกับศีระพตุปาทานคนละกลุ่มคนละตระกูลกันอย่างนั้นนะ ต้องการที่จะแยกแย้ให้เห็นว่าถ้าในกลุ่มของสีระพตูปาทานนั้นเป็นอีกอย่างทิฏฐุปาทานเป็นอีกอย่างเพราะกลุ่มของทิฏฐุปาทานก็ดังที่ได้กล่าวไม่ว่าจะเป็นสัตสตาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงอุเฉธทิฏฐิความเห็นว่าขาดสูนในกลุ่มนี้ก็ยังเป็นทิฏฐุปาทานอยู่แต่ในกลุ่มของสีระพตูปาทานเนี่ยนะก็มาแจา ก, กว่าศีละหรือศีลศีลตัวนั้นก็แปลว่าข้อประพฤติปกตินั้นๆถ้าวัด วัตตะมาจากเขาวัตตะนั่นคือพจศพอรอตอนี่ยแปลว่าพจน์คือการสมาทานข้อปฏิบัตินั้นด้วยดีใช่ไหมศีรพัตุปาทานก็คือว่าข้อสมาทานข้อปฏิบัตินั้นๆเยื่องวัวเยื่องสุนัขนี่ยลักษณะ <c oughs> อย่างนั้นก็กศีรพัตุปาทานเป็นต้นเนี่ยเป็นบุคคลที่สมาทานเสพหรือว่าถือเอาข้อปฏิบัติเยื่องโคเยื่องสุนัข ไอ้ความเพียรสุณัในกลุ่มของรัฐิบางแห่งเป็นพวกภายนั้นรัฐีภายนอกนะมีมีครูบาจารย์ก็สอนกันมาว่าถ้าปฏิบัติเช่นนี้แล้วจะสามารถพ้นจากกองทุกได้วัดอย่างนี้คุณทําไปเถอะที่สุดจริงๆจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยข้อปฏิบัติเช่นนี้ศีลอย่างนี้คุณถือไปเถอะเมื่อถือไปแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลเช่นนี้ ศีลกับพจน์คนละอย่างกันนะศีล น, นี่คือเป็นปกติของคนคนนั้นใช่ไหมพจน์นี่คือการสมาทานใช่ไหมการสมาทานการถือเอาฉะนั้นศีลัละประตูปาทานก็คือความยึดมั่นศีลพจน์นอกพุทธศาสนาความยึดมั่นศีลพจน์ทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางคือไปยึดมั่นว่าศีลและวัดหรือข้อปฏิบัติอย่างนี้การสมาทานอย่างนี้การปฏิบัติอย่างเนี้ จะเป็นข้อปฏิบัติให้ตนเองนั้นพ้นจากวัตฏะสงสารต้องอย่าลืมนะตรงนี้ด้วยนะถ้ายังไม่มีความเข้าใจตรงนั้นเป็นศีลรพระตูปารันไหมทำเล่นๆ เ, เนี่ยเป็นไหมไม่เป็นบางคนไปบอกเอ๊ะไหเจ้าเนี่ยจะไปปฏิบัติในลักษนังนี้เป็นศรีลรพระตูปารันถามมีคนไหว้เจ้าคนไหนที่เขาคิดว่าเขาจะรอดพ้นจากวัตฏะสงสารไหมเขาตื่นอย่างนั้นไหมเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเดีย๋ยวไปมองกลุ่มไปอธิบายคําสอนอย่างนี้ไป ไปกันใหญ่เลยเดีนี้คือเจตนาของกลุ่มบุคคลนี้ที่เขาปฏิบัตินะเขาคิดว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วก็จะจะบริสุทธิ์ได้จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาจึงปฏิบัติเช่นนั้นอมีเยอะนะอย่าลืมนะคนที่คิดว่าปฏิบัติอย่างนี้เลิกรดละใช่ไหมถ้าทําในลักษณะเช่นนี้อยู่อย่างโคอย่างเหนียวอย่างสุนักวะเลยเประพฤติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนักซะเลยถ้าอยู่อย่างโคก็อยู่ยังไงสี่ขาคานสี่ขาเปื่อยแล้วโคทําไง โเคเขก็เปือยป่าเปือยกายเลยแล้วก็หากินข้อประบัตสมาทานข้อปฏิบัติก็คือกินกินหญ้ากินน้ําทํากิจรตา่างๆทุกอย่างเสมือนโคเหมือนสุนัขลักษณะนั้นเขาเรียกสมาทานข้อปฏิบัตินะนั่นก็คือศีลประตูปาทานพ้นหรื อ, อยังนี่พ้นกันหรือ ย, อยังเนี่ที่นั่งกันอยู่คิดเราจะพ้นหรือยังทีนี้ศีลประตูปาทานเพราะเป็นเหตุยึดมั่นศีลพจน์บ้างเพราะศีลพจน์นั้นยึดมั่นเองบ้างเพราะศีลพจน์เหล่านั้นเป็นอุปาทานด้วยนะบ้างเนี่ย อธิบายบ่ า, าการยึดมั่นตนเองนั่นแหละโดยความเชื่อมันศีลและพจนกล่าวคือข้อปฏิบัติทั้งหลายมีศีลของโคและวัดของโคเป็นต้นเป็นของบริสุทธิ์ด้วยอาการอย่างนี้จะบริสุทธิ์ได้จะพ้นจากวัฏทุกข์ได้ด้วยข้อปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าศีลปตุปท า, านนี้เป็นความสังเขปในศีลปตุปท า, านนี้นะีความพิษความพิษสดารก็คือว่าศีลปตุปท า, านเป็นเชนไหน คือความบริสุทธิ์ด้วยศีลของสมณพราหมณ์นอกศาสนาเนี่ยคือมีนอกศาสนาเขาไปเข้าใจว่าการกระ ท, ทําเช่นนั้นของเขาเนี่ยเขาจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้นี่เป็นอย่างนั้นประการต่อมาเชื่อว า, วาทะเพราะเป็นเหตุกล่าวในแบบนี้เป็นคําพูดใช่ไหมวาทะเนี่ยชื่อว่าอุปาทานเพราะเหตุยึดมัน่นยึดมั่นอะไรยึดมั่นวาทะถามว่ายึดมั่นอะไรแกว่ากล่าวยึดมั่นอัตตาอัตมันนั่น การยึดมั่นวาทะของตนชื่อว่าอัตวาทุปาทานการยึดมั่นเนี่ยไปดูความหมายก็กอนนะนสภาพที่ยิ่งใหญ่ภายในเหล่าสัตว์หนึ่งหนึ่งอัตวาทุปาทานเนี่ยนะ